คาถารวมวินิตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตรหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงผู้มีบุตรทีไม่ต้องการมีบุตรหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามีหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงต้องการมีโชคหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงต้องการอุปถากด้วยสิ่งที่เลิศหนึ่งเรื่อง เรื่องหญิงต้องการไปสุขติหนึ่งเรื่อง